พาไปทมที่จะทำให้การกระทาต่างๆนั้นบรรลุผลได้รับความสำเร็จได้เรียกว่าอิทธิบาทสีอิทธิแปลว่าความยิ่งใหญ่หรือความสำเร็จบาทแปลว่าทางอิทธิบาท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 หรือการทำมาหากินหรือการแสวงหาผลประโยชน์ต่างๆถ้ามีอิทธิบาทสีผลต่างๆย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนทางธรรมก็คือการปฏิบัติเพื่อมรรคผลผนิพพานถ้ามีอิทธิบาทสีมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสา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 ถ้าพวกเรามีอิทธิบาสีเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการบาเพ็ญการปฏิบัติของพวกเราการปฏิบัติธรรมการบาเพ็ญจิตตภาวนาย่อมปรากฏผลขึ้นมาอย่างแน่นอนช้าหรือเร็วเท่านั้นเองอยู่ที่อิทธิบาสีถ้ามีอิทธิบาสีมาก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 การถอนสมอเรือเวลาที่เราจะออกเดินทางทางน้ำทางเรือนี้ถ้าเรือจอดทอดสมออยู่เรือจะไม่สามารถแล่นไปไหนได้เวลาเราจะไปทางเรือจะให้เรือวิ่ง เล่นไปตามทางที่เราต้องการให้ไปเราก็ต้องถอนสมอเรือก่อนพอถอนสมอเรือแล้วเรือก็จะได้ไหลไปตามกระแสน้มได้ไหลไปตามตามพลังขับเคลื่อนของเครื่องยนต์ของเรือได้ทานนี้ก็เป็นเหมือนกับการที่จะปลดเปลื้องจิตใจ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 เราได้บรรลุมรรคผลนิพพานดังนั้นเราต้องมีความยินดีความพอใจกับการทำทานไปจนกว่าเราไม่มีอะไรจะให้แล้วหรือถ้ามีก็เป็นส่วนที่เราให้ไม่ได้ส่วนที่เราต้องอาศัยเช่นถ้าเราไม่ได้บวชเป็นพระเราต้อง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 บำเพ็ญปฏิบัติธรรมรักษาศีลได้อย่างสะดวกไม่มีอุปสรรคการที่เราจะเกิดชั้นทะเกิดความยินดีในการทำทานในการรักษาศีลในการภาวนานี้เราก็ต้องได้ยินได้ฟัง เลยรู้ถึงผลที่เราจะได้รับว่าถ้าเราทำทานเรารักษาสีเราภาวนาแล้วเราจะได้อะไร <S <S เหมือนกับเวลาที่เราจะซื้อสินค้าอะไรต่างๆ <S 1> <S 1> เรามักจะต้องดูโฆษณาของสินค้านั้นก่อนว่าสินค้านี้มีคุณสมบัติอะไรมีประโยชน์อย่างไรกับเรา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 เราถ้าอยากจะรู้ว่ามรกผลนิพพานนี้มีคุณมีประโยชน์อย่างไรกับตัวเรากับจิตใจของเราเราก็ต้องดูโฆษณาของมรรคผลนิพพานการดูโฆษณาของมรรคผลนิพพานนี้ก็คือการศึกษาจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า หรือจากพระอาหลานตสาวกผู้ที่ได้พบกับประโยชน์ของมรรคผลนิพพานแล้วรู้คุณค่าของมรรคผลนิพพานว่าดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือของพระอาหลานตสาวกเราก็จะได้รู้จักคุณค่าของ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 ของพวกเราได้มีแต่มรรคผลนิพพานนี้เท่านั้นที่จะสามารถทำได้ถ้าเรารู้ถึงความวิเศษของมรรคผลพิพาของมรรคผลนิพพานมันก็จะทำให้เราเกิดฉันทะความยินดีความพอใจที่จะปฏิบัติที่จะบำเพ็ญเพื่อให้เราได้รับ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 ชาตินี้เป็นถือว่าเป็นโชคคาลาบของพวกเราที่เราได้มาเกิดแล้วได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้มาได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระอาหารหันตาสาวกที่จะทําให้เราเกิดฉันทะวิริยะจิตตาวิมังสาขึ้นมาที่จะเป็นธรรมที่จะผลักดัน ให้การปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานเป็นไปได้อย่างง่ายดายไม่ยากเย็นเลยถ้ามีอิธิบาทสีดังนั้นข้อแรกที่เราต้องพยายามสร้างขึ้นมาก็คือฉันทะความยินดีที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติเพราะตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า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 เราก็จะได้ยินได้ฟังทำที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนและทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วเมื่อเราได้ฟังบ่อยๆเราก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับแล้วเราก็จะได้กาจัดความลังเลสงสัยต่างๆไปให้ได้หมดเช่นความลังเลสงสัยว่ามรรคผลนิพพานนี้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 ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าเราต้องเป็นนักบวชเป็นพระภิกษุหรือเป็นภิกษุณีการที่จะบรรลุดได้นี้อยู่ที่การปฏิบัติสี่ลักษณะด้วยกันคือสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนนี้เท่านั้นไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้กําหนดว่าจะต้องเป็นพระภิกษุ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 ผลอย่างแน่นอนไม่ได้อยู่ที่เพศอยู่ที่วัยไม่ได้อยู่ที่สถานภาพว่าเป็นผู้ครองเรือนหรือเป็นนักบวชแต่จะต้องเป็นผู้ที่มีสุปฏิปันโนอุชุปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเท่านั้นไม่เชื่อลองไปอ่านบทสังฆคุณดูสังฆคุณ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 จากพระเหล่านี้เราถึงจะได้รับความกระจ่างได้รับการกาจัดความลังเลยสงสัยออกไปจากจิตจากใจของพวกเราได้แล้วจะทำให้พวกเรานั้นเกิดฉันทะขึ้นมาถ้าเรามีฉันทะแล้ววิริยะคือคุณธรรมข้อที่สอง น, นี้ก็จะตามมาเช่นเดียวกับข้อที่สามและข้อที่สี่คือจิตตะและวิมังสา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 ได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกเราก็จะได้รับคำยืนยันว่าถ้าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏัดปฏิบัติอย่างเพ่งครัดปฏิบัติอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เราจะต้องได้รับผลอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเราอาจจะต้องสละซับไปสละอวัยวะไปและสละชีวิตไปเราก็จะไม่ลังเลสงสัยเราพร้อมที่จะสละ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 การรักษาศีลนี้ง่ายกว่าการบำเพ็ญสมถภาวนาการบำเพ็ญสมถภาวนานี้ง่ายกว่าการบำเพ็ญวิปัสนาภาวนาแต่เราต้องมีทั้งหมดเราต้องบาเพ็ญทั้งหมดเราต้องมีใจที่เป็นทานเราต้องมีใจที่เป็นศีลเราต้องมีใจที่สงบและเราต้องมีใจที่ฉลาดเราถึงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ แต่ในขณะที่เราบำเพ็ญ น, นี้เราอาจจะบาเพ็ญที่ระย่างไปก่อนตามกำลังของเราตามภาวะของเราถ้าเราอยู่ในสภาพที่ต้องบาเพ็ญทานก็บาเพ็ญทานไปถ้าเราอยู่ในสภาพที่รักษาศีลได้เราก็รักษาศีลไปถ้าเราภาวนาได้เราก็ภาวนาไปทำไปเรื่อยๆใจเรานี่ มีใจจดจ่ออยู่กับงานอยู่กับเหตุที่จะทำให้เกิดบันเกิดการบรรลุมรรคผลนิพพานเท่านั้นใจจะไม่ไปจดจ่ออยู่กับการกระทำอย่างอื่นจะไม่ไปสนใจกับการแสวงหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายจะมีใครเอาเงินเอาทองเอาอะไรมาล่อให้เราไปทำงานกับเขา หรือไปเที่ยวกับเขาไปอยู่กับเขาไปทำอะไรกับเขาเราก็จะไม่ไปเพราะว่าใจของเรานี้มีจิตตะคือใจของเราจดจ่ออยู่กับการบาเพ็ญทานศีลภาวนาเท่านั้นอยู่กับการที่จะบาเพ็ญทานศีลภาวนาให้มีมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีวิมังสา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 มีความเพียนเป็นตัวสนับสนุนผลต่างๆก็จะมปรากฏขึ้นมาตามลำดับอย่างแน่นอนนี่คือการทำงานของอิทธิบาท4ถ้าพอมีฉันทะแล้วมันก็จะเป็นตัวที่จุดประกายให้จิตตะให้วิริยะจิตตะวิมังสาปรากฏตามขึ้นมาแล้วพอมีครบทั้ง4ประการ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 แต่พอเราเรียนแล้ ว, ลวเราก็ไปขับดูตอนต้นก็จะล้มลุกคลุกคลานไปถูกบ้างผิดบ้างแต่พอขับไปเรื่อยๆก็จะเกิดความชํชนานิชํานาญขึ้นมาจนในที่สุดก็จะเป็นการง่ายดายเพราะเกิดความเคยชินแล้วรู้จัด ก, การขับแล้วและได้ฝึกฝนแล้วจน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 นี่คือเรื่องของการสร้างอิทธิบาทสีสร้างด้วยการเข้าหาผู้รู้เข้าหาคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าหาคำสอนของพระอาหลันตสาวกเวลาเราเข้าหาพระพุทธเจ้าก็ดีเือพระอาหลันตสาวกก็ดีเราอย่าไปเข้าหาร่างกายของท่านอย่าไปอย่าไปเกาะติดชายผ้าเหลือง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 และถ้าพระอนุลไม่ได้ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าไปแสดงธรรมที่ไหนก็ตามเมื่อกลับมาแล้วต้องแสดงธรรมนั้นให้แก่พระอนุลอีกครั้งหนึ่งแต่พระอนุลฟังแล้วนี้ท่านเพียงแต่เอามาจดจำเท่านั้นท่านมีความจำความความจนี้ดีเลิศเพราะธรรมคำอสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ทุกแห่งทุกคนพระอนุลนี้จำได้หมดเลย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 สังคญญายนาะคำสอนเพราะท่านเป็นผู้จดจําคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดพระสูตรนี้เป็นเป็นสิ่งที่พระอานุ์เป็นผู้จดจําไว้พระไตรปิฎกนี้มีสามส่วนด้วยกันส่วนหนึ่งเรียกว่าพระสูตรส่วนที่สองเรียกว่าพระอภิธรรมส่วนที่สามเรียกว่าพระวินัยพระสูตรนี้เป็นพระอานุ์ผู้ที่จดจํามา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 และสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาให้เกิดขึ้นมาศีลโดยหลักของพระก็อยู่ในกรอบของศีลแปดนี้เองศีล ส, สำคัญศีล ใ, ใหญ่ของพระสี่ข้อนี้ก็อยู่ในศีลห้านี้ก็คือหนึ่งการไม่ฆ่ามนุษย์สองไม่เสพการไม่เสพเมถุนคือไม่ร่วมดับนอนกับผู้ใดสามไม่ลักทรัพย์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 ผู้ที่กระทํานั้นย่อมรู้แก่ใจของตนว่าตนนั้นได้ประราชิกแล้วว่าตนนี้ไม่ได้เป็นพระภิกษุแล้วถ้าเป็นก็เป็นแบบหลอกลวงชาวสายตาของชาวบ้านไปเท่านั้นล้วไม่มีวันที่จะปฏิบัติให้ไปถึงมรรคผลนิพพานได้แล้วถ้าเป็นต้นตานก็เหมือนยอดมันด้วนไปแล้ว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 เป็นปารัชิกแล้วหรือไม่เป็นปารัชิกเนี่ยแต่สมัยนี้ผู้ที่มาบวชนี้มีที่ไม่มีสัจจะกันพอตอนเองทำอะไรผิดแล้วก็ตะแบงหาข้ออ้างไปต่างๆนาน า, นาว่าเผลอสติบ้างว่าไม่มีเจตนาบ้างอันนี้ก็เป็นเรื่องของของกรรมก็แล้วกัน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 ก็มาปฏิบัติมาศึกษาเหมือนกันแล้วเมื่อศึกษาบรรลุแล้วก็สามารถที่จะนำเอาไปเผยแผ่สั่งสอนไปทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นได้เช่นหลวงปู่มั่นนี่ท่านกว่าจะบรรลุนี่ท่านก็บรรลุอายุช่วง 60-70 ปีด้วยกันช่วงที่ท่านไปอยู่ไปบำเพ็ญที่เชียงใหม่ตามน้ำพังช่วงนั้นตามประวัติท่านอยู่ระหว่างอายุ 60-70 ปีด้วยกัน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 เอวเมวะอิโตทินางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสพเปปเรนตุสัง a ปายันโทปนาแวโสยทามณิโชติระโสยทาสพิติโยวิวัชานตุสภโรโควินัสตุ มาเตภวะตวันตรายุสุขิทีขายุโกภวะอภิวาธนศิริสนิจังุทธาปจายโนจตารุธรมาวัฏาติอายุวโนโอสุขังภาลังต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถาม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 การมาเกิดนี่ดีการมีความสุขจากการมีร่างกายได้ทำนู่นทำนี่เขายังคิดว่ามันดีอยู่แต่เขาไม่นึกถึงเวลาที่ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันทำอะไรไม่ได้เวลาเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเวลาหมอบอกว่าเป็นโรคมะเร็งรักษาไม่หายนี่มีแต่อยากจะฆ่าตัวตายอย่างน้นอันนี้เขาไม่ได้มองคิดอย่างรอบคอบ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 เท่าที่ได้ยินเคยได้ยินว่าเป็นาศาสนาที่มีคนนับถือมากที่สุดในโลกคือพระพุทธาาศาสนาเนี่ยสมมติโลกนี้มีคนอยู่หกพันล้านคนเนี่ยครึ่งหนึ่งของอย่างน้อยครึ่งหนึ่งคือสามพันล้านคนนี่ได้รับประโยชน์จากการเห็นแก่ตัวของพระพุทธเจ้าเราคิดดูว่าเห็นแก่ตัวแบบนี้มันไร้ากาศมันเสียหายตรงไหนดีกว่าเห็นแก่ตัวแบบไปกินเหล้าเมายา ก, กันแล้วก็ไปอารวาดขับรถชนทําให้คนตาย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 เพราะการดื่มทุรายามาจะทําให้ไม่มีสติแล้วจะไปทําให้ไปก่อความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นต่อไปคําถามตอบอ่าาแลล้วคนทีเอกย่างอย่างคนที่เขาเพาะลูกหมาขายอย่างนี้เราอเจ้าคะถ้าไม่เอาไปฆ่าก็ไม่เป็นไรหมายถึงว่าเอาไปฆ่าเช่นเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เสร็จแล้วก็เอาเอาไปฆ่าเอาไปขาย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 กับการสละให้ลูกหรือญาติพี่น้องถือเป็นการให้ทานที่เป็นบุญเท่ากันหรือไม่เช่นถ้าไม่เคยสละทานให้ผู้อื่นแต่สละทานให้กับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องตัวเองเท่านั้นคือการทำทานนี้ผลที่จะได้รับก็คือความสุขใจและความสุขใจนี้ก็ขึ้นอยู่กับใจของเราว่าเราให้ด้วยเหตุผลกลไกลอันใด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 าทางที่จะทำให้เกิดมีอุปสรรคมีปัญหาได้แต่ถ้าไม่มีก็ก็จะไปได้เพียงแต่ว่าอาจจะไปแล้วก็ต้องถอยกลับเลี้ยวขวาไปแล้วเอ๊ะนี่ไม่ใช่ทางถอยกลับมาเลี้ยวซ้ายอันนี้ไม่ก็ไม่ใช่ตรงไปท่านจะรู้ทางเพียงแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจว่าทางมันทางไหนเป็นทางที่ถูกต้องแต่ท่านก็จะสามารถที่จะพิสูจน์ไป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 ทานศีลภาวนาก็อันเดียวกันขอพระอาจารย์อธิบายให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจด้วยครับก็อันเดียวกันเราจะอธิบายยังไงทานก็ทานอันเดียวกันทานก็ให้เนี่ยทำทานมีเงินมีทองก็แบ่งปันให้แก่ผู้อื่นศีลก็ศีลหศีลแปศีล2อง ร, 8, รภ้ภาวนาก็สมถะภาวนาทําใจให้สงบเรียกว่าสมาธิวิปัสสนาภาวนาก็ทําใจให้ฉลาด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 เราต้องไม่ไม่ต้องกลัวมันใจดีสู้เสือเสือไม่กัดนะให้คิดอย่างนี้แล้วพอเราพอเราไม่กลัวมันมันก็จะไม่เป็นปัญหากับเราความกลัวนี้ทําให้ใจเราเครียดทําให้ใจเราทุกข์ขึ้นมาพอเราดับความกลัวนี้ได้โดยการสอนใจว่าความเจ็บของร่างกายเราเคยผ่านมาแล้วผ่านด้วยสติแล้วตอนนี้เราไม่ต้องหนีมันก็ได้เพราะเรารู้แล้วมันไม่ได้เจ็บอย่างั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 แต่ความจริงมันเป็นความสุขระดับต่างๆของใจความสุขระดับเทพระดับพรหมนี้ยังเป็นความสุขระดับที่ไม่ถาวรมีการเจริญแล้วเสื่อมได้แต่ความสุขระดับของพระนิพพานนี่เป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดไปแล้วพระอรหันต์นี่ก็ไม่ได้จิตของพระอรหันต์ถามว่าหายไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมฮัลโหล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 ตอนนั้นท่านก็บรรลุเป็นพระสวัสดาบันแล้วตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จดับขันนี่ตอนที่พระอนุน์อยู่รับใช้กับพระพุทธเจ้านี้ท่านก็ได้บรรลุเป็นพระสวัสดาบาลแล้วแต่ท่านไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัติเพิ่มเติมให้บรรลุ ถ, ถึงพระอรหันต์เท่า น, นั้นเองพอเวลาพระพุทธเจ้าจากไปแล้วท่านก็เลยมีเวลาว่างท่านก็สามารถไปบำเพ็ญได้ด้วยตนเอง เพราะท่านมีพระพุทธพระธรรมระสงค์อยู่ในใจของท่านแล้วคำถามต่อไปจากคุณคนล่าฝันพ้นจากสัญชาตญาณไปทางไหนครับพราะอาจารย์สัญชาตญาณมันก็เป็นสิ่งที่เราปลูกฝังว่าไม่ไวในจิตใจของเราจนกระทั่งมันเป็นเหมือนกับการเป็นอัตโนมัติคือเวลาเราทำอะไรนี่ถ้ามันถึงขั้นปุับปรับนี่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 มาอย่างต่อเนื่องจงกนกระทั่งมันฝังอยู่ในใจเพอถึงเวลาที่จะต้องรักษาชีวิตนี้มันจะมาทำหน้าที่ของมันทันทีคาถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามบุคคลที่มีจิตใจเบี่ยงเบนทางเพศควรปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมอย่างไรและสามารถบรรลุธรรมเป็นอริยบุคคลได้หรือไม่หรือว่าเป็นการห้ามมักผลนิพพานแล้วแต่แลก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 ว่ามันอยู่ใกล้กันเขาแยา่เป็นชายชอบชายที่มาอยู่ใกล้พระพระกับพระเดี๋ยวอยู่ได้กันก็ไปกอดกันนอนด้วยกันมั้คำถามต่อไปจากคุณดวงทิพย์เวลานั่งสมาธิพอจิตสงบกายเบา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 คำถามที่เหลือจากทางบ้านขอยกไปพรุ่งนี้ค่ะมีคนถามต่อในสาราค่ะเชิญสการพระอาจารย์นะคะคือจะขอถามเกี่ยวกับเรื่องภาพดวงตาโดยที่ในช่วงจังหวะแรกที่เราเห็นภาพดวงตาโดยที่เราเออเหมือนกับเราเราตอนนั้นเราไม่ได้ตั้งสติเรารู้สึกว่าไม่รู้ตัวก็เกิดความสะดุง้ง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 แล้วมันก็จะปรากฏสิ่งต่างๆขึ้นมาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นของที่ไม่มีคุณไม่มีประโยชน์มีโทษทำให้ใจเราเขวได้ทำให้ใจเราหวั่นไหวได้น้อยครั้งที่จะมีคุณมีบ้างภาพบางอย่างนี้ปรากฏก็ทำให้มีคุณต่อการปฏิบัติได้เช่นเห็นภาพของของเราตายไปเห็นภาพอสุภะอะไรอย่างนี้มันก็จะเป็น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 เป็นตาเป็นสัมผัสด้วยตาที่ผูทิพมันก็เหมือนกันมันก็เป็นตายรักเหมือนกันฮถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็จะไม่ทุเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันเราก็จะทุกข์ขึ้นมาทันทีมีข้อเดียวเลยเออมีใครอยากจะถามยังไงอ่ามา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 ไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถิด